เพราะว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็คงเหมือนทุกคนครั้งแรกๆเนี่ยเราไม่เคยรู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีนะครับเมื่อก่อนเราเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็ครูก็บอกอ่ะนั่งสมาธิหลับตาพูดโทนะอะสามนาทีห้านาทีก็จบเห็นไหมเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเขาสอนอะไรนะครับก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยสนใจกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับพระนี่ไม่เคยไหวเลยพูดตรงๆบาทไม่เคยใส่นะครับ แต่ด้วยวันหนึ่งก็งคงเป็นบุญเก่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับช่วงที่มันน้ําท่วมอ่ะเห็นไหมน้ําท่วมปีอะไรห้าสี่หรืออะไรนะ่ะที่อ่าท่วมประเทศไทยเยอะๆน่ะก็ตกงานครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับมาอยู่บ้านมาอยู่กับแม่ก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนนั่นแหละนั่งกินเหล้ายันสว่าง <c oughs> ก็เห็นพระมิทบาทนะครับก็ท้ากับเพื่อนว่าเอาอยู่ว่างๆทุนก็ปวดสีท้าตอนเมานะเออทีนี้เพื่อนเอาจริงเพื่อนไปปวดจริง เราก็เลยได้รับปากแล้วนี่ก็เลยต้องต้องไปบวชตามแต่คนนิทานนี่สึกไปแล้วนะแต่เรายังอยู่นะครับก็เลยถือว่าเป็นโชคดีโชคดีของเราที่ได้มาเจอครูบาอาจารย์สายนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมเองก็อยู่วัดถ้ำนะกับพระอาจารย์พงศ์ที่มาเมื่อวานนะครับแต่ไม่เคยรู้ว่ามีวัดถ้ำนะใช่ไหมไม่เคยเข้าไปใกล้เลยนะครับจนเราะ ล, ะ ล, ะะละเหยละเหยกลับมาบ้าน ขนาดจากบ้านมาตั้งหลายปีตก ง, งานที่ได้กลับมาบ้านก็มาเจอก็กล่าวว่าจะบวชให้แม่สักก็สิบห้าวันพอและวเป็นวิธีอะไรนะอ่ะาทีนี้บวชสักพักหนึ่งก็ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเอา้าอย่าพึ่งอย่าพิ่งสึกไปเลยจะมีเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้เื่องเก็บอารมณ์ไปฟังทีหลังเนาะวางโดยอาจารย์พงวางยาไว้เยอะเนาะน่ากลัวไหมโคจมจีนไม่ได้น่ากลัวหรอกนะครับไม่ต้องกลัวทีนี้พอได้ไปเก็บอารมณ์อ่าที่จังหวัดกาญจ น, านบุรีเนี่ย ช่วงนั้นครูบาอาจารย์ก็เยอะนะครับพวกที่ท่านยังไม่สึกไปหรือว่ายังไม่แตกสาขากันไปเนี่ยช่วงมาก่อนที่ผมบวชใหม่ๆเนี่ยพระจะรวมกลุ่มกันเยอะนะครับครูบาอาจารย์นี่จะสนมากจะจะเกาะกลุ่มกันทํากิจกรรมก็ถือว่าเป็นโอกาสโชคดีของเราที่เจอครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็คอยแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้นะครับในการเป็นพระนี่แหละนะครับมันไม่มีอะไรเยอะนะครับการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่เรานี่แหละเปนเป็นเรื่องที่เกิดมาพร้อมเราเลยเราไม่ต้องมาหา ไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องอยากรู้แต่ข้อแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะลงพูดให้ฟังว่ามเป็ น, ปนยังไงนะอันนี้พูดประวัติย่อๆก่อนพอได้ไปเก็บอารมณ์ภรรษาแรกที่จังหวัดกาญจน์นั่นแหละหลวงพ่อเขาไปไปสอลนลุมพระครับก็เลยเจอท่านก็เลยได้อยู่กับท่านจนถึงปัจป จ, จุบันนี่แหละก็จำาราษาที่วัดดอยได้สี่รรษาแล้วนะครับผมก็อยู่ดูแลแทนท่านช่วงที่ท่านไปเมืองนอกบ้าง ช่วงนี้ท่านออกมาคอร์สบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่เก่งนะครับอยู่กับหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับท่านตลอดนะเพราะว่าท่านก็ออกงานออกอะไะลรเราเป็นคนดูแลทีนี้เข้ามาสู่เรื่องการปฏิบัติเนาะมันไม่ได้อการปฏิบัติสายเนี้ยผมว่ามันง่ายนะครับแต่ผมก็ไม่เคยไปสายอื่นมานะคือมาเข้ามาสายเนี้ยผมว่ามันง่ายมันไม่จํากัดว่าเราต้องทํายังไงให้อิสระเราเตรียมที่เราจะทําอะไรก็ได้ยิ่งเป็นญาติโยมเนี่ย ผมว่ามันยิ ง, ง่ายนะเราไปวิ่งก็ได้ไปออกกำลังตีบงตีแบดอะไรก็ได้ที่มันมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากกว่าพระอีกนะครับพระนี่ก็วิ่งก็ไม่ได้ผิดตีนอาบัดดูไม่ดีอีกเนีย่ยขอให้เราเข้าใจนะครับการที่เรามายกมือเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่เราต้องมาหัดเขียนกอไก่ขอไข่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มก่อนครั้งแรกใช่ไหมเราทําอะไรเนี่ยต้องมีคู่บอกก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเขียนกอไก่ขอไข่บอก อ่าเป็นสลากเป็นคำได้แล้วเนี่ยเราจะไปเขียนต้นไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันการยกมือเนี่ยเรามาทําให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับกายนะครับขั้นแรกเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยพอเรายกมือขึ้นไปเนี่ยปั๊บเนี่ยใจเราเริ่มคิดออกไปเนี่ยเราก็ดึงกลับเข้ามานะครับคือหลักของมันเวลาอ่าเวลามันเคลิน้นเริ่มจะยกไปใจล่องลอยไปแล้วไปคิดถึงบ้านคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็ขยันดึงกลับเข้ามาให้มันอยู่กับ การเคลื่อนไหวที่มันเคลื่อนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ยกมือแล้วได้สตินะครับนี่อย่าเข้าใจผิดนะเราต้องเห็นการเคลื่อนการไหวการหยุดเป็นจังหวะนะครับยกไปเรื่อยๆไม่เป็นจังหวะมันไม่ใช่สตินะเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเห็นอาการหยุดอาการเคลื่อนนะครับนี่ต้องจังให้ดีนะไม่ใช่ยกยกยิ่งยกเ ย, ยอะเยอะเยอะนี่แต่เราไม่เห็นเลยว่ามันหยุดมันเคลื่อนอยังไง เ, เนี่ยมันก็เป็นท ăn, การทําเยอะที่มันมันได้ประโยชน์น้อย แต่ถ้าเรายกช้าๆยกขึ้นหยุดเห็นชัดๆเนี่ยใจเราอยู่กับมือเนี่ยนี่ถึงยกน้อยแต่ได้เยอะกว่าใช่ไหมนี่ไม่รู้ว่าทุกคนเขา้าใจอย่างนี้เปล่านะแต่พูดยังไม่ฟังอีกทีนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเราต้องคอยจัดนิวรนิวรคือความง่วงความเพลินความเบื่อนะครับที่เป็ น, ปนอุปสรรคนึกถึงว่าตอนเราขับรถเนี่ยถ้าเราง่วงเนี่ยเราก็จะไ ม, มไม่มีสติในการดูใช่ไหม รถเราอาจจะสายซ้ายสายขวาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราง่วงปั๊บเนี่ยสติเราเนี่ยก็จะไม่ชัดกับมือที่มันเห็นนะครับมันก็จะคึมๆหัวก็ปวดมึนๆใช่ไหมสังเกตไหมเวลาเราตาเบลอตัวก็กหนักๆมึนๆมันจะคอยเบือ่อค่อยเซ็งมันก็ตามกันมาเนี้ยแต่เราอาจจะลึกอสลัดเอาความง่วงออกไปความเบื่ออะไรก็จะหายไปด้วยนะใช่ไหมต้องสังเกตดีด coma มว่วงเนี่ยมันจะมาตอนตอนอากาศดีๆหลังช่วงประมาณหลังทานข้าวเนา ะ, ะเราสังเกตดูนะครับมันจะตัวหนักๆ ก, ก่อนตาจะปือป้อๆลมจะเย็นๆสักพักมันจะเริ่มหาวมาเนีย่ยเราตามดู ก, การมันเงี้ยมัน ก, ก็แก้ไขทันนะครับแต่ถ้าไปหลับตาสักหน่อยน่ะเรียบร้อยนะครับออใช่ไหมยิ่งลมกรอกตาเรื่อยๆเนี่ยหลับสักหน่อยนึงเนี่ยถ้าหลับนานเกินไปมันก็จะง่วง แต่เราไม่ต้องตกใจนะครับเวลาทําไมฉันมาสร้างอย่างหวาแล้วเมื่อก่อนฉันไม่เคยง่วงเลยกลางวันเนี่ยทำไมยกไปสองสทีเห่าแล้วมันเป็นปกตินะครับจริงมันเป็นการมาฝืนธรรมชาติของเรานไอ้พวกไอ้พวกมาเนี่ยมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันก็ส่งลูกน้องมาสู้ครับพอหายแก้ง่วงปั๊บพอเราพอเราง่วงไปเนี่ยเราไปโมโหตัวเองโอ้ทําไมฉันง่วงเนี่ยอะกลายเป็นหงูหงิดติดอารมณ์อีกใช่ไหม กลายเป็นเอ้ยทำไมฉันถึงง่วงกลายเป็นรังใดสงสัยไปอีกเนี่ยมันก็จะยาวไปเรื่อยๆพอได้คิดนิดหน่อยไอ้เรื่องที่เราติดอยู่ในหัวมันจะไหลเข้ามาเนี่ยแต่เราเออเห็นแล้วปับ๊บเริ่มคิดละอ่าเราอาจะแก้ ง, ง่วงไม่ทันเราเห็นตัวมันความคิดมันขึ้นมาแล้วก็ดึงกลับเข้ามาให้คมรู้สึกตัวชัดๆแต่หลักๆเลยคือพยายามพยายามตื่นทําให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนตอนเนี้ยเราไม่ง่วงเนี่ยใช่ไหมสติมันมีอยู่แล้วนะครับ แต่เพราะว่ามันมีมันมีสิ่งพวกเนี้ยมาคอยมาคอยบังมันไว้นะครับใช่ไหมผู้ใหม่เนาะไม่ยากนะครับแล้วการเก็บอารมณ์เราก็เข้าไปทําอย่างนี้แหละคอยสังเกตตัวเองเวลานั่งสร้างอย่างว่าไปเนี่ยอ่ะหลังมันปวดมันเมื่อยแล้วคอยปรับไปอย่างนี้แหละมันง่วงเข้ามาเราก็คอยแก้ไม่ใช่ว่าไปกดดันอย่างที่ท่านพระจ่ายท่านพูดไปฟังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกนะครับแต่เพราะว่า ครั้งแรกแรกท่านไม่รู้ไงว่าการเก็บอารมณ์ไม่ใช่ว่าเข้าไปห้ามทำนะครับห้ามคิดห้ามพูดห้ามอะไรหลายอย่างไม่ใช่นะครับแต่การเก็บอารมณ์นี้คือการเข้าไปศึกษารายละเอียดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับทั้งการนั่งการเดินการยืนการนอนอนอนนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแล้วก็อารมณ์ภายในความคิด ความวิตกกังวลความเบื่อความผุ้งซ่านที่มันเข้ามาอาการมันเป็นยังไงครับพอมันเข้ามาปุ๊บมันทางกับใจของเราอย่างไงอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเรานึกถึงคนที่เราไม่ชอบนึกถึงที่เรื่องที่เขาเคยว่าเราเมื่อก่อนเราเคยโกรธใช่ไหมใจเต้นตึกตึ๊กตึกตึกต๊กก็กกกกดูว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันทํากับเราเป็นยังไงทําไมทําทําไมทําให้ใจเราเต้นได้ทําไมทําให้เรามีอารมณ์ขึ้นได้มันก็เป็นแค่เสียงใช่ไหม เราก็ไปตามไปดูสิ่งเหล่านี้แหละอะความมั่งเป็นยังไงเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยซึมซลืมสลือเบอร์เบอร์เหมือนคนมึนน่ะใช่ไหมเราคุมเครือทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้ไงครับคอยแก้อย่างนี้แหละความเบื่อเป็นยังไงล่ะเมื่อก่อนเราเบื่อเป็นไงหันหลังให้เลยนะครับไม่อยากทําอะไรละปล่อยเราไม่เคยรู้เลยว่า เขาเนี่ยมาทำร้ายเราได้ยังไงใช่ไหมเราเนี่ยปกติเราอยู่เฉยๆนะแต่พอมีอารมณ์เบื่อเข้ามานี่มันเหมือนจะไม่อยากทําอะไรเลยใช่ไหมอ่อนเลยเหี้ยพี่ไฮแงกหมดไม่อยากจะพูดกับคนเลยซ้ําใช่ไหมเราก็ตามสังเกตว่าเออพอมันมีอารมณ์นี้เข้ามาแล้วทําไมเราถึงเป็นอย่างนั้นถ้างั้นถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้เราจะแก้ทุกข์ได้ยังไงครับใช่ไหมอืมเพราะว่าเราทุกข์กับเรื่องพวกนี้ครับแล้ะของเหล่านี้ยมันมีกับเรามาตั้งแต่เกิดเลยแต่เพราะว่าเราเกิดมาไม่เคยมีคนบอก ไม่เคยมีคนสอนใช่ไหมเกิดมาคุณก็ต้องเรียนเองเก่งนะอ่าเป็นเจ้าคนนายคนต้องลาต้องรวยอะไรก็ว่าไปที่เราสั่งโดนสั่งสมมาใช่ไหมต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นต้องเป็นคนที่เก่งเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่รวยก็ไม่รู้จะรวยอะไรเยอะแยะใช่ไหมใช่หวังแล้วกี่ร้อยหามาแล้วก็มาเก็บต้องระบากจัดการอีกต้องจะตายก็ต้องแบ่งกระดกอีกใช่ไหมพระเจ้าท่านมองเห็นเรื่องนี้ท่านก็โอ้สลาออกแล้วพวกนั้นอันหนัก มันเหลือเพลาสามผื น, นย่าโยงก็เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเรานะครับเรื่องที่เรามาศึกษาเนี่ยดีแล้วที่เราเข้ามาเนี่ยผมยังดีใจเลยอยู่ห้าภาษานี่ผมไม่เสียดายเลยครับไม่เสียดายเวลาเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงอนอนไม่หลับแล้วก็เบียร์สามขวดใช่ไหมอ่าธรพอดาของโรคใช่ไห ม, มไม่รู้เรื่องนี้ว่ามันต้องแก้ไขตัวเองอยังไงใช่ไหมพอเวลาไม่กด เกลียดโดนใครว่าหน่อยก็ไม่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะคุยแล้วไม่อยากเห็นหน้าอันนี่เห็นใจอารมณ์ขึ้นใช่ไหมไม่เคยมารู้เลยว่าอ๋อเรื่องพวกเนี้มันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่เขาครับเขาไม่หน้าที่พูดเขาพูดยังไงก็ได้เขาจะชมจะด่าก็าเรื่องของเขา ไ, ไหมเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราที่เราจะแก้ไขตัวเองทีเนี้ยเขาด่า ม, มาเรารับฟังเราก็โดนเองเจ็บเองใช่ไหมหรือไปเขาพูดมาแล้ว เ, เฉยเออมาดู่าการเฮ้ยโดนกระทบใจเต้นมีกล้ามเนื้อมันสั่นเลือดสูบฉีด นั่นคืออารมณ์โกรธมันเป็นอย่างนั้นเราก็ศึกษาอย่างนั้นครับใช่ไหมพอเราเห็นแล้วอ๋อนานไปเขาพูดมาก็เฉยแล้วรู้ๆเนี่ยวะมันจะทําไงกับเราเราเห็นแล้วปุ๊บเราก็ขาจาัดได้อย่างนี้นะครับเนีย่ยยกตัวอย่างนะใช่ไหมไม่รู้ว่าศึกษาแบบนี้กันไหมนะครับแต่ผมก็ทําแบบนี้มาตลอดนะครับยิ่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ย น, นี่พูดเสียงเบาๆหน่อยนะเฮ้ย น, นี้อัด คือบางทีอยู่ครัาอาจารย์เนี่ยสอบรวมกันหนีหนักนะครับแต่ก็หนักก็ยิ่งดีด็มันก็ติ่งทําให้รู้รู้อเราติดเรื่องอะไรใช่ไหมบางคนมานกระเด็นบางคนมาอยู่ไม่ได้แต่ผมก็อยู่มาสี่ห้าปีละจนบางทีทําให้เราเฉยได้แบบเออโดนมาก็โดนดิเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมใจมันต้องเต้นแหละแบบยิ่งกับพูดไปได้ด้วยนะใช่ไหมเราตอบตัวไม่ได้ดเราโอเราเก็บอาการอย่างเดียวเลยแบบเราก็เข้ามือศึกษาทีนี้ พอสักพักเนี่ยมันจะจางคลายไปครับมันไม่มีอะไรที่ทําเราได้อะยเนี้ยต่อให้เหตุการณ์น่าอึอาดอัดหน่าเบือ่อหน้าเซงไปอยู่กับผู้คนเนี่ยเราจะไม่เบือ่อเราจะไม่ไม่เซงแล้วต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยนั่งกินเล่ากับเพื่อนเนี่เพื่อนพูดไม่รู้เรื่องนี่บางทีผมไปฟังผมเบื่อมเบื่อเบื่อคิดเรื่องอื่นไปเฉยเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นกันไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะครับบางทีเราอยู่กับผู้คนมากๆเนี่ยแต่เหมือนเรากับเราแบบอยู่คนเดียว ไม่ได้สนใจคนรอบข้างบางทีนั่งคิดเหมือร้อยไปอย่างอื่นเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราฝึกเรื่องเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยใจของเราเนี่ยอยู่กับตัวอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่กใกล้อยู่ใกล้เพื่อนใกล้พ่อใกล้แม่กล้ญาติใกล้กลมิตรเรา ก, ก็อาศัยเกืือกูลดูแลกันตอนนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราคิดว่าโอ้มีเงินเหมือนหนึ่งร้อยหนึ่งพ่อจะมีความสุขไปหาเงินให้ได้ยเยอะให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหมสมัยเราจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมอ่าไปหาเงินมาซื้อรถมันจะมีความสุข ไปหาเงินมาซื้อบา้านหลังใหญ่ๆตัวโตมันจะมีความสุขกว่าจะหาได้ครับเพราะไม่อาตายก่อนใช่ไหมเราไม่เคยมองเห็นภาพเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเลยบางทีคงใกล้ๆกันกันกบไม่สนใจนุ่นไปไปสนใจคนอยู่ในเฟสใช่ไหมคนกปกติทุกวันเป็นหนดเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับใช่ไหมไปสนใจคนที่อยู่ไกลตัวแต่คงใกล้ๆไม่สนใจเนี่ยเรามาคือปฏิบัติธรรมก็เพื่ออย่างนี้นะครับบางทีเราอาจจะงูงหงิดกับเพื่อนใกล้ๆกันนี่แหละ แต่เราก็แก้ไขตัวเองซะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้มันเป็นอ่าเป็นเรื่องที่ห่างห่างกันไปเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยปัญหาก็เกิดจากเรื่องนี้แหละเพราะว่าคนไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะครับการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยก็อย่างนี้แหละเหตุผลนะครับแล้วสิ่งที่เรามาทําเนี่ยมันมีกับเราทุกคนอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นไอาการมานยกมือเดินจง ก, กรมเนี่ยมันเป็นเพียงแบบฝึกหัดเพื่อให้เราได้รู้ว่าต่อไปเราจะทํำยังไงนะครับเหมือนเรามาเข้ามาเข้าอนุบาลเข้าประถมเข้าหมหนึ่งนะเห็นไมพอเรามาสร้างจังหวะเป็นเนี่ยเรารู้จากความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไปทํางานไปอยู่ที่บ้านไปทําอะไรก็ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีกับเราอยู่แล้วใช่ไหมเราตื่นนอนมาเนี่ยเราต้องลุก ข, ขึ้นมาเราก็ตามดูนหน่อยเอารานอนอยู่ท่าไหน เอาแขนซ้ายขึ้นก่อนคือคือทำในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพาตัวเองเข้ามาแปลงฟันแปลงยังไงล้างหน้าเอาพิจารณาไปด้วยโอ้ร่างกายผมของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ของสวยงามใช่ไหมตื่นมานี่ขี้โมกขี้ฟันผมเภายุ่งเหยิงกว่าเราจะต้องมาปรับแต่งให้ข้อสวยเข้าลูปนี่ทุกไหมครับใช่ไหมสังเกตดีๆนะ แต่ก็จะพาตัวเองเข้าห้องน้ําไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ตามดูเข้าไปออกมาใส่เสื้อผ้าแต่งตัวไปทํางานแต่งหน้าหวีผมใช่ไหมจากกระเป๋าเก็บที่นอนอ่ะลงมาสักพักกินข้าวเช้าก็ตามดูตัวเองไปอย่างนี้แหละกินข้าวไปอ่ะความอร่อยมันเป็นยังไงรสชาติของแกงของอะไรเป็นยังไงเรากัดไปเสียคําเป็นยังไงการตัดการอะไร เหมือนกันเรามันเป็นเหมือนกันเรามาฝึกอฝึกอะไรแหละเขาเรียกฝึกมารยาทอ่ะใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้ครอบคู่ไปด้วยเรากินยังไงก็ได้ไม่ให้มันเสียงดังเกินไปกินยังไงให้สํารวมก็ถือว่าเราเป็นฝึกมารยาทหรือซักเรา็อยากเราอยากคิดว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมเพราะว่ามันฟังแล้วดูยากใช่ไหมโอมาปฏิบททัติธรรมโอดูหนักดูเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะเมื่อก่อนผมคิดอะ่ะโอปฏิบททัติธรรมนี่เป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้หรอกใช่ไหม แต่พอมาศึกษาจริงเออมันเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงเลยผมว่ามันน่ามาศึกษามากกว่าการไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทซะอีกเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันแก้ไขเรานะครับพวกนั้นเรียนไปก็แก้ไขไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราตามดูอย่างนี้เลยครับตามดูสักพักกินข้าวเช้าอิ่มถูกไหมอิ่มแล้วกินอิ่มมากก็ทุกข์อีกใช่ไหมอ่ะพอไปทํางานไปทําอะไรเที่ยงก็หิวอีกเนี่ยเราจะเราจะเห็นได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ทุกข์ มันจะสอนเราเองเลยนะเราไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องไปตามหาด้วยนะครับถ้าตามดูข้อแค่นี้แหละเขาจะบอกเราเองกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วพักปลายก็ง่วงองีกกินเยอะต้องมาแก้ไขกันอีกใช่ไหมยิ่งคนที่ไหนที่ไปทํางานเนี่ยขามง่วงเนี่ยโอ้ยหนักเลยนะครับใช่ไหมจะไปง่วงให้ลูกน้องเห็นก็ไม่ได้นะถ้ามีลูกน้องใช่ไหมจะไปง่วงให้คนอื่นเห็นก็ไม่ได้ต้องหลายๆอย่างเนะี่ยอันนี้เราก็มาฝึกแก้ไขก่อนเนี่ยดีแล้วนะครับ รู้จากความง่วงเป็นยังไงความเบื่อเป็นยังไงความเสียงเป็นยังไงความอึดอัดขัดเคืองอย่างที่เราสวดเรื่องทุกข์กับเมื่อกี้เนี่ยทั้งสิบสองอย่างเป็นยังไงเนี่ยเพื่อมาแก้ไขตัวเราเองต่อไปเราจะได้อยู่อย่างง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อท่านพยายามสอนนะครับเพราะเรื่องจำเป็นนะครับถ้าเราทุกข์มาเนี่ยคนอื่นเขาก็ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็แค่ปลอบใจเออไม่เป็นไรนะเราก็เออนอไปด้วยหรอกแต่มันไม่หายหรอกเชื่อดีใช่ไหม อืวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันจําเป็นยังไงแต่วันไหนที่เราต้องนอนล้มหมอนนอนเสือ่อนอนโรงพยาบาลวันไหนที่เราต้องอยู่คนเดียววันไหนที่เราเจ็บไข้ไม่มีคนดูแลเนี่ยใจตัวนั้น่ะเราจะระส่ำระสายมากพอจะมองหาที่พึ่งนะครับโอ้ไม่มีใครดูแลเลยอุตส่าห์ส่งเงินอุตส่าห์เลี้ยงดูมาคิดไปใหญ่อาการป่วย ห, หนักกว่เดิมอีกใช่ไหมพลังใจไม่มีแต่เรามาฝึกเรื่องนี้เพื่อให้ใจเราอยู่กับตัวนะแก้ไขตัวเองไป อ่ะสมมติว่าเราไปนอนโรงพยาบาลขยับไม่ได้แล้วก็เ อ, อขยับแข่งขยับขาร่างกายเราก็ได้ปรับตัวพื้นมันก็ทําให้หายเจ็บหายไข้ได้ไวอย่างพระเนี่ยตามดูตัวเองตลอดเนี่ยส่วนมาจะไม่ป่วยนะครับแต่พระบางบางที่ที่เขาไม่ได้ เ, เรียนเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมอ้วนกันสักภาพก็เป็นโรคนะครับแต่เรามาตามดูเรื่องเนี้ยมันจะแสดงอาการว่าตรงไหนจะเจ็บป่วยอ่ะตัวนี้มันปวดแขนปวดข้อนะ เขจะแสดงอาการที่เราเห็นครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ทันเนี่ยไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเนี่ยพอเรามาตามเห็นเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องใหญ่มันก็จะสามารถแก้ไขได้ทีนี้เราเราจะไปอยู่กับใครก็ได้เนี่ยกระทบอารมณ์มาฉันกนิ่งฉันไม่ฉันไม่ไมไมตอบสนองคนหรอกปัญหามันก็ไม่เกิดใช่ไหมเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับขอแค่เพียงเรามายกมือสักอย่างว่านี่แหละ เพราะนั้นอย่าท้อนะครับมันมีผลอยู่ยกไปเนี่ยโอ้โหเมื่อะไรจะได้กับบ้านนนาเมื่อะไรจะเลกคอนคอเนาะมืออะไรจะห้ามืทุกทีมองแล้วบอกอีกทำไมมันช้าอย่างนาฬิกาเนีเออ่ยผมเป็นไม่ใช่บาสทุกคนหรอกเมื่อก่อนมันก็เป็นนะครับเมื่อะไรหลวงพ่อจะมาทีทอยากสอบอารมอย่าพูดให้ฟังอย่าแยแยนะเนอ่ยแตอีกสําคัญเรื่องหนึ่งคือเรามาเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยจะอยากให้หลวงพ่อไปสอบอารมณ์อยากพูดให้ฟังโนะ อ, อ้โ เ, เ, เนี่ยได้อารมณ์ดีมากเลยวันเนี้ยโล่งโปออร่งสบายอยากพูดให้ฟัง เ, เ, เล ย, นนล ย, ยกลเกิน นะขอให้รู้ว่าอารมณ์อารมณ์โล่งอารมณ์โป่งกับอารมณ์หนักเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละครับสักพักมันก็หายไปแต่เรามีหน้าที่แค่เข้าไปเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าเขาคืออาการเขาเป็นยังไงนะครับทุกคนก็อยากโป่งอยากโล่งเท่านั้นแหละแต่มันไม่ค่อยเกิดหรอกครับถ้าเราอยากได้มันนะใช่ไหมแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักมันจะเข้าล็อกของมันอมือที่เรายกเนี่ยมันก็จะไปอัตโนมัติของมันเลยนะครับเหมือนเรา เหมือนเราไปแบกไม้ท่อนใหญ่ๆมาแล้ว เ, เราทิ้งลงอะ่ะมันก็จะบองนั่นแหละแต่เราก็จะดีใจว่าเบาได้ลงเบาใช่ไห ม, มถึงแม้ว่าตอนไหนความคิดเยอะเนี่ยก็อย่าไปกงังวลนะครับมันคิดขึ้นมาเยอะแหะดีแล้วเพื่อเราจะได้เห็นว่าตอนที่มันคิดยังมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงหัวเราปวดนะครับวางคีจับหัวดูนี่ร้อนเลยครับเนี่ยคิ็ดลับก็คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยน้ําเนี่ยเอาไปด้วยนะครับ อย่าขาดน้ําเนี่ยเรามาสายยกเบอร์นะครับไม่ใช่สายนั่งสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธินี่เขาจะอยู่นิ่งๆไม่กินก็ได้น้าําอ่ะใช่ไหมแต่เราต้องอาศัยร่างกายเราเผาผ่านตลอดเวลาต้องสังเกตดูนะครับเวลาเราสร้างหยาบไปเนี่ยคอเราแห้งไหมบางทีเนี่ยอู้แตะลมคอแห้งแย่ๆ แ, แล้วหิวน้ํำแย่ๆ แ, แล้วแต่ก็ไม่จิบให้เขานะครับแล้วบางทีความคิดเราเข้ามาเนี่ยมันเยอะมันใช้พลังงานเยอะนะครับไหนตาที่เรามองเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาอีก ก็จิบน้ํำช่วยเขามันจะทําให้เราสดชื่นขึ้นนะครับเราจะไม่ง่วงง่ายจิบทีละอึดสองอึดอย่า ก, กินเยอะนะครับกินเยอะมันจะเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับเนี่ยเวล า, าทําอะไรต้องสังเกตนะอย่างเช่นเราจะลุกไปเข้าห้องน้ําเนี่ยมันปวดจริงไหมนะครับต้องสังเกตนะบางทีอยากอยากไปเฉยเนี่ยไม่ได้ปวดหรอกแต่อยากจะลุกไปใช่ไห ม, มบางทีเบื่อละ ไปเข้าห้อน้ำดีว่ไปส่องกระจกหน่อยก็ยังดีอย่างเงี้ยคือมันจะพาเราไปเนี่ยราต้องดูอาการเขาด้วยว่ามันพาเราไปเนี่ยเราเป็นจริงไหมบางทีเขาหลอกเราไปนะครับกิเลสอ่ะเออมันรายกาดมากนะต้องสกิเกตดีๆนะครับบางทีไม่ได้ปวดเลยแต่อยากไปนะครับย้ายที่อย่างเงี้ยบางทีโอ้ยตรงนั้นดีมองเห็นหน่อยอยากไปอย่างเงี้ยไม่รู้ข้อไข่มั้งนะเออ เนี่ยก็หอยรู้ว่าการปฏิบัติสายเนี่ยผมว่าง่ายสุดแล้วไม่ยากนะครับเราตามดูสิ่งที่มันมีนี่แหละแต่ว่าในการสร้างยังหวะเนี่ยเพื่อมาเป็นการเล่าเล่าให้เขาเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อครับเราไปเล่นอยู่กับโทรศัพท์เล่นอยู่กับดูหนังฟังเพลงมันไม่เกิดหรอกของพวกเนี้ยแต่พอมายกมือสร้างหวะยกขึ้นในสามทีหาวเลยนะครับเป็นไหมผมนี่ตลอดนะครับหาวทีทเลยแบบโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยเนาะแต่เราต้องแก้ต้องแก้นะ แล้วก็การสร้จังหวะเนี่ยก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับกายนะครับอยู่กับบ้านเวลาเราคิดไปเพลินไปง่วงไปนี่หรือว่าเบื่อเนี่ยก็ให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่มันมีขยันดึงผู้ใหม่ขยันดึงกลับมานะครับอย่าให้ปล่อยให้ตัวเองคิดไปนานถ้าคิดไปนานเนี่ยมันจะแก้ยากมันจะเป็นความเคยชินนะครับแต่ขยันดึงกลับมาอยู่กับมือที่มันเคลื่อนที่มันหยุดที่มันไหวนี่แหละก็ตามรูปการที่มันเคลื่อนของมือนี่แหละ นึกสภาพว่าเร า, าเป็นหุ่นยนตนะ์เหรอเนาะตรงไหนบ้างที่มันเคลื่อนไหวได้ตรงข้อพับตรงข้อมือตรงไหนที่มันกระทบตรงหน้าอกตรงหน้าขาถ้าเราเกต ด, ดีเนี่ยวางแปะลงเนี่ยมันจะสั่นทั้งขานะใช่ไหมเนี่ยตามดูอาการที่มันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับเราไม่ต้องเข้าไปหาแล้วไม่ต้องเข้าไปอยากรู้แต่ดูในสิ่งที่เขาแสดงให้ดูนั่นแหละครับหยุดทีนึงเคลื่อนทีนึงไม่ต้องยกอะไรให้มันหนักขนาดนั้นหรอก แต่ช้าๆเย็นๆเนี่ยอย่างเวลาเดินโยงกลมเนี่ยผมสังเกตดูเวลาความคิดเข้ามาเนี่ยจะสับเป็นใหญ่เลยนะ <c oughs> เดินเนี่ยโห อ, อยากจะวิ่งแข่งเลยความจริงเราไม่ได้ไปแข่งกับอะไรนะครับบางทีความคิดผมเยอะๆเข้ามาเนี่ยผมจะสะโลลงเลยเดินช้าๆจะรู้เอาให้ความคิดเนี่ยมันวิ่งออกก่อนไปก่อนเลยสักพักเราไม่สนใจเขาเดี๋ยวเขาก็หนีนะครับจียงที่ยิ่งเรายิ่งหนีเนี่ยเหมือนเรายิ่งไปดูเขาไปเห็นเขา เหมือนเราพยายามลืมอ่ะยิ่งลืมกับยิ่งจำใช่ไหมแต่พอเราไม่เฉยเฉยไม่ได้สนใจถัาพักมันก็ลืมมันก็หายไปเองอันนี้ก็เหมือนกันลองปรับเปลี่ยนอิยาบทในการเดินไม่ต้องไปทําการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปไปเคร่งเครียดนะครับเรามาเราอยู่ข้างนอกกราทุกขแรงแล้วจะไม่เคร่งเครียดกับการปฏิบัติอีกไม่ใช่นะครับทําให้มันผ่อนคลายอย่างที่หลวงพ่อพยายามบอกนะครับยกมือเนี่ยสติอยู่ไหน ไม่ใช่นะครับอยู่เนี่ยกเบาๆช้าๆยกหนักก็เมื่อยเดี๋ยวก็ไหลก็ปวดก็เมื่อยไปอีกใช่ไหมอืมแล้วเวลาอส่วนตัวที่ผมทําเนี่ยสมมติว่าผมยกมือซ้ายางกว่าไปในสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะมานวดนวดนวยเขาหน่อยเขาทํางานหนักละนวดไหลนวดไหลคล้ายๆว่าเอ้ยดูแลเขาหน่อยยังดูแลอยู่นะอะไรแบบนั้นเราใช้เขาเป็นเครื่องมือครับใช่ไหมก็นวดนวดนวดให้เขาตื่นตัวสภาวะก็ไปได้ต่อ ความเบาก็จะเกิดนี่แคยรับความเบาไม่ได้ไม่ได้หายากนะครับพยายามตรงไหนมันเมื่อยมันล้าก็เหมือนรีเฟซตัวเองเรื่อย ๆ, ๆความม่วงก็จะหายไปแล้วก็ต่อได้อีกครึ่งชั่วโมอง ห, หนึ่งชั่วโมองอัตร า, าภาคดูมันมันเหมือนมันจะหนักแล้วเราก็เออพักผ่อนให้เขาหน่อยแล้วก็มาบีบหน่วยเขาเออให้ดูแลคุณอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีกําลังใจนในการทําไปเรื่อยๆการเขาเ้าเก็บอบรมก็ทําอย่างนี้แหละครับ สังเกตศึกษาไปขอให้เพียงเราเวลาเราเบื่อเราไม่เลิกทําแค่นั้นเองการเก็บอารมณนะ์น่ะเวลาเราง่วงแล้วก็ไม่นอนเวลาอยู่คนเดียวไม่มีคนเห็นเนาะไว้ง่วงแล้วความง่วงเนี่ยเวลามันเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนอะเราอยากแก้ไขเราจะอึดอัดใช่ไหมทําไมมันไม่หายทันทีวะใช่ไหมเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าอาการง่วงมันมาเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ตามข้าไปศึกษาก่อนนะครับแค่ความง่วงไม่หายเนี่ยมาอึดอัดเนี่ย มาตามมาดูว่าอาการอึดอัดเนี่ยมันเป็นยังไงอีกพออาการอึดอัดไม่หายเราก็จะเป็นการวิตก ว, วิจารในทีเนี้ยโอ้ฉันเป็นอะไรทําไมแค่นี้ฉันถึงทําไม่ได้กลายเป็นฟุ้งซ่านไปอีกมันก็จะตอก บ, บ่นการกันเข้ามาแต่ถ้าเรากลับเข้ามาอยู่ในการเคลื่อนไหวหรือว่าอิาทธิบาตไหนที่มันชัดเจนเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเราแก้ด้วยการเดินจงกรมไม่ได้เราแก้ด้วยการสร้างจังหวะไม่ได้ไปอาบน้ําก็ได้ครับ เออไปล้างหน้าก็ได้ครับไปแปรงฟันก็ได้คือออกจากหาทางออกจากตรงนั้นก่อนแต่แต่เราอย่าลืมเข้าไปศึกษาสิ่งที่มันขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเราเก็บเอานั่นแหละคือการเข้าไปเก็บอารมณ์ครับก็คือไปศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละถูกแล้วไม่ใช่ว่าไปผักมันเก็บย้ำยงชั้นฉันเก็บอารมณ์ไม่ใช่ครับแต่คือเราเข้าไปศึกษารายละเอียดสิ่งเหล่านั้นแหะครับแล้วเราไม่หนีทีเนี้ย ง่วงมาเราไม่หนีเราศึกษาเข้าไปเออมันมาอย่างไงมันจะเป็นเหมือนฟ้าคึ้มคึ ม, มาตามันจะปือ้อปือหัวมันจะหนักหนักมันจะอืออ้อืไหลจะห่อหอลองใช่ไหมคนง่วงอะคอจะตกตกลงไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเราหายใจเข้าลึกๆอ่ะพยายามแก้ไขปรับเปลี่ยนไปไอ้ความอึดอัดมันก็ไม่มาครับถ้าเราแก้ไขไอตต้ตัวแรกได้อถ้าไอ้อึดอัดมาแก้ไขไม่ทันไอ้ตัววิตกวิจารย์มันจะมาอีกทีเนี้ย ไอ้วิตัย ว, วิจัยไม่พอฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยรู้ออกจากที่แล้วทีเนี้ยไปหาคนนั้นคนนี้แล้วทีเนี้ย น, นี่ครับเราต้องตามเข้าไปศึกษาอย่างนี้เก็บอารมณ์อะไม่ใช่ว่า ก, กลัวขนาดนั้นหรอกนะครับโดนขู่เยอะเนาะนี่เขาเข้าไปศึกษาในสิ่งที่มันเกิดนี่แะครับแต่ว่าการเก็บอารมณ์ก็คือเราเ้ามีโอกาสเข้าไปอยู่คนเดียวนะครับเราไม่ต้องกังวลกับการทาําวัดไม่ต้องกังวลกับใครเราเข้าไปศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยตั้งแต่เช้าเย็นยิน ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดครับเกิดแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เช้าแล้วตื่นตีสี่ขึ้นมาในยยกมือเนียมันก็เมื่อยอยู่เนาะโอ้ผหลวงพ่อคงไม่มาหรอกนี่มันจะคิด น, นะตัวอเองนะไม่มีใครมาดูหรอกมานะมันจะต่อรองกับเราสักหน่อยนหน่าเนี้ออยที่ห้าเคยรู้ก็ได้หรอมันจะมีเราต้องตังเกตสังเเรกสิ่งเหล่านี้แหละในขณะที่ตาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันก็ตื่นพร้อมเราครับอืมมันก็นอนพร้อมเราเหมือนกัน หลวงพ่อพระธาตบอกว่าตื่นขึ้นมานสู้กับตัวเองตั้งแต่เช้ายัางนอนครับนอนไม่หลับสู้ต่ออีกั้นเช้าแหละศึกษาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่เรามาอาศัยการสร้างยังหวะการเดิจูงโกรมนี่เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีการสร้างยังหวะเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะไม่ขึ้นมามันจะไม่มันไม่เกิดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราไปนั่งสบายๆพิเอนหลังดูทีวีฟังเพลงไปคุยกับเพื่อ น, มนไม่เกิดหรอกมันเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น แล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรนะครับทุกเรื่องนี้เราก็ไปหาเรื่องใหม่ใช่ไหมไปดูหนังเว้เรื่องใหม่หลังเรื่องนี้ไม่พอใจไปดูเรื่องใหม่อีกอะเรื่องนี้ไม่พอต้องเสียงเงินดีกว่าไปชอปปิง้งใช่ไหมไปซื้อข้าวของที่อยากได้แต่ก็ไม่เคยใส่หรอกแต่อยากได้ซื้อมาเต็มบ้านเลยบางทีต้องมาลําบากเก็บกวาดอีกต้องลําบากคนอื่นดูแลอีกอย่างเงี้ยเราโดนสั่งสมเรื่องนี้มา ทุกคนนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนมันถึงเป็นทุกข์นะครับมีรถหนึ่งคันไม่พอต้องมีสองไอ้บ้านนี้มีสองแล้วเราน้อยเขาไม่ได้ต้องสามเอา อ, อันนี้ทําให้เป็นปกติก็เราก็เหมือนกันกันกบอยู่ในวัดนี่แหละครับอ่าสมมติเราหนังเก้าอี้ใช่ไหมเราจับปากกาเขียนเนี่ยถามว่าเราต้องใช้มือจับไหมครับเขียนเนี่ยควรู้สึกตัวเรามีไหมถ้าเรามือเขียนได้ไหมครับเราก็อยู่สิ่งที่เราเขียนนั่นแหละพอเราตั้งใจ อ, อยู่กับที่เราเขียนตัวหนังสือเราก็จะสวยมันก็จะเป็นระเบียบเราขยับ โต๊ะเก้าอีทีแล้วก็ดูหน่อยมันจะมีเสียงไหมอ่าแล้วฉันก็โยกข้างนี้ไปนะอ่าหันทางนี้นะก็ดูตัวที่มันเคลื่อนไหวนั่นแหละครับคือดูไปดูอาการที่มันเกิดมาแล้วมันไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นของเขาเองเราไม่ได้หาครับแต่ให้เราไปเห็นสิ่งเหล่านี้แหละแต่ไอ้ที่เราว่าชางิยังหวาเนี่ยเพื่อให้ใจเนี่ยมันอยู่กับตัวครับแต่ความรู้สึกตัวก็คือการเข้าไปเห็นสิ่่่่งงเเหลลาานนนนี้ะะครับอ ย, อ ย, อ ย, อยด็นนะใม งงไหมครับงงถามไปนะเน่ยอย่างสมมติว่าเวลาเรานั่งรถเนี่ยถามว่ารถมันนิ่งไหมครับโงตกหลุมนี่ผมนี่บองทีโยกตามรถใช่ไหมคนขับโยกซ้ายแล้วก็เออดูการโยกซ้ายโยกขวาไ ม, ไม่ไม่จะได้จำเป็นต้องมานั่งซ่านอย่างกว่านี่ลมมันพัดมาทีมันเย็นอ่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่หลวงพ่อพยายามพูดนั่งตรงเนี้ยลมยังกระทะเลไหมไม่รู้สึกเลยแหะครับบางทีผมมาอ๋อไปไใส่ก า, ยยางเงบ่แล้วนั่งรับลมดีกว่า ก็อาศัยข้างนอกเราพอก็มาเอ้ยหลับแล้วทีจริงเราไม่ได้หลับหรอกแป็ว่าเราอาศัยความสืบเชื่อของลมมาให้เราศึกษาหน่อยหายใจให้เต็มปอดเนี่ยเราศึกษาได้ทุกที่ครับใช่ไหมคนขับรถเนี่ยหันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะจะตบไฟเลี้ยวทีแล้วก็ดูดตาแล้วก็ดูข้างหน้าไปด้วยมันทำได้ทุกอย่างถ้าเราบูรณาการได้แล้วแต่นี่คือเราต้องมาฝึกในการยกมือนี่ไงก่อนครับนี่คือแบบฝึกหัดไงครับเหมือนเราเขียนกอไก่อะ่ะขอไข่ไอะ่ะพอเราเขียนไปแล้ว คุณจะไปเขียนที่ไหนก็ได้ทีเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ขอให้เรามาฝึกให้ชํานาญฝึกให้ความรู้สึกตัวมันเข้ามาอย่าให้ใจมันห่างออกไปไกลนะครับพอใจมันห่างไปไกลเนี่ยควารู้สึกตัวมันก็ห่างไปด้วยนะครับพอเวลาอะไรมันกระทบเนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสมมติว่าโดนคําพูดมากระทบเนี่ยใจมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับกว่ามันจะแก้ไขได้บางทีด่าเขาไปแล้วใช่ไหมแต่พอโดนกระทบปุ๊บใจเต้น ตึ๊ดตึๆด๊โอ้ดิโดนไปแล้วเราต้องเห็นเปนเรื่องสนุกเออนี่นี่นี่นี่อารมณ์โกรธมันทําให้เราใจเต้นกล้ามเนื้อเต้นเลือดซูบฉีดปากี่สั่นเลยใช่ไหมบางทีเราโกรธจัดอะใช่ไหมอาการนี้ทุกคนนะครับปากสั่นนี่อยากจะดา่าเต็มที่แล้วพอเราเห็นใจปุ๊บถ้าเราชํานาญเนี่ยหายเลยพอไม่หายปุ๊บมันเข้าไปในความคิดโอ้ดีดา่าฉันเหรออ่าเริ่มเริ่มทันตนัวความคิดก็ได้ก็ยังหายอยู่ ทีนี้ถ้าไม่ทันตอนที่สองมันจะเริ่มออกจากคําพูดไปแล้วถ้าเราไปตามคํำพูดที่มันจะออกก็ถือว่ายังทันอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นกรรมไม่เป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องตุกตะลกเราก็เราก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใครแต่ถ้าหลุดปากไปแล้วเนี่ยแก้ไขา ย, ยากรับกรรมไปครับตอนนั้นแหละทําใจอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของเขาอยู่เรื่องที่เราศึกษานี่แหละไม่ใช่เรื่องยากเรื่องอยู่กับเราแท้ๆดีแล้วที่เขาเราเข้ามา ผมยังถือว่าโชคดีมากเนาะส่วนเรื่องภายนอกเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นกับเรื่องเรามากหรอกเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าเรามาสนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับข้าวอย่างที่เรามากินกันเนี่ยผมเห็นกินกันนิดเดียวเองบางทีตักได้ไม่ถึงสามคำ เ, เอา้าจมอิ่มแล้ว <laughs> กินกันน้อยเนี่ยแต่ว่าเพระเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามองกังวลว่าเอ๊ะฉันกินฉันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะกินอะไรลูกเต่าเล่าหลานาครอบครัวจกินอะไรเราคิดไว้ก่อนทั้งหมดเลยชีวิตของเราเนี่ยใช่ไหมต้องหาเงินมาให้ได้เยอะ อนาคตจะได้สบายแก่มาจะได้เงินใช้อย่างนี้ใช่ไหมคนไหนมีลูกมีเมียก็หาสมบัติมาให้เยอะๆให้เมียยเงี้ยตัเองตายก่อนเขาก็ไปแต่งงานไหวก็เรียบร้อยเ <c oughs> ขายิ้มหัวเราเลย <c oughs> ไม่ต้องหาครับนะเกลียดดีใช่ไหมถ้ามีคําถามถามได้ตลอดนะครับ <c oughs> ผมจะพูดไปเรื่อยๆนี่แหละแต่จะอาจจะวนหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการสาธยายเท่าไหร่มีครั้งที่สองที่ผมได้พูดกับโยมแล้วเนี่ยสี่ห้าปีนะจริงครับพูดได้แค่นี้ก็ถือว่าโอแล้ว ปกติสั่งว่าครับก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็คอยคอยตั้งแต่ตื่นมาเราก็ทำอย่างนี้แหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นพระเป็นโยมนะครับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเป็นใครไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าชาติไหนอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านว่าแต่เพราะว่าเราโชคดีครับโชคดีที่เราเกิดเมืองไทยเราเกิดเป็นชาวพุทธชาวพุทธนี่มีครูบาอาจารย์ที้คอยแนะนําเราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้า โชคดีนับสืส่อศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกนะคุณเบื่อโลกสมมุติเราเป็นค า, าอ่ะมีงานมีเงินคุณเบื่อใช่ไหมคุณเบื่อคุณก็ขอพ่อขอแม่สิขอญาติพี่น้องสิออกมาบวชมาบวชถ้าคุณยังไม่เบื่อคุณก็เป็นคารวะญาติโ ย, ยมก็ศึกษาได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณถ้าคุณเข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันก็เป็นการตัดภาระของคุณไปมันก็ง่ายกับการปฏิบัติทำใช่ไหม โอกาสไปนี้ผ่านโอกาสนี้ผ่านคือมันไม่มีเรื่องอะไรมาต้องให้กังวลให้ต้องเป็นทุกข์ไงครับใช่ไหมโดยเราหาเรื่องเองใช่ไหมเป็นพระมันไม่ค่อยมีอะไรมากไม่เหมือนญาติโยมที่ต้องดูแลครอบครัวดูแลหลายๆอย่างดูแลทั้งการจัด ก, การชีวิตผู้คนรอบข้างอะไรมันมีเยอะแยะแต่ถ้าใครเบื่อก็เข้ามาบวชเข้ามาอยู่บัดเ น, นี่ยเราเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เราเป็นเมืองไทยเป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วเราต้องเป็นหนี้พระพุทธเจ้าที่ท่านมองการไกลนะครับสร้าง สาว ก, อ, ากอุบาสิกาเข้ามาอย่างผมเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนการเข้ามาเรียนประจะะําอ่ะเนาะคือเข้ามาอยู่เต็มตัวเลยแต่นี่เหมือนเหมือคล้ายๆว่ากอสนอมาเป็นบางครั้งน ะ, ะใช่ไมืมมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่บางที่กอสนออาจจะเก่งกว่าคนที่อยู่ข้างในก็ได้มันชลาใจใช่ไหมเออฉันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ญาติโยมยผมเห็นตั้งใจกันดีมากนะครับยกมือเนี่ยบางคนผมไม่เึกว่าจะตั้งใจได้ขนาดนี้ผมก็อย่างโอ้ในรูปแบบ ก็คือนี่ไงฮะในรูปแบบเขาเรียกว่าในรูปแบบไอ้ที่สร้างอย่างหวะเดินย่งกลมนี่คือรูปแบบนอกรูปแบบก็คือที่ผมพูดให้ฟังตั้งแต่เราตื่นนอนยันหลับนอนอิริยาบถที่เราต้องใช้ชีวิตในในสิ่งที่เราไม่ได้สร้างอย่างหวะนี่ไงเราก็ตั้งแต่ตื่นมาแล้วก็อาศัยตามดูสิ่งเหล่านั้นแหละไปเรื่อยๆนะครับพอมีเวลาว่างสมมติว่าไม่มีการมีงานทำแล้วทางถ้วยทํอยาอะไรเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สร้างอย่างหวะต่อเพื่อไม่ให้ตัวเองว่างหลวงพ่เทียนฉลาดนะครับท่านท่านสร้างงานให้เราทํานะครับ เนี่ยพราะถ้าใจเราไม่มีงานทําเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็อยากกินนั่นอยากกินนี่ไปนั่นไปนี่เดี๋ยวก็คิดถึงคนโน้นคนนี้พอคิดปุ่มปุ๊บเขาไม่มาหาเหงาอีกใช่ไหมเบื่ออีกบางทีอยากไปแล้วไม่ได้ไปเบื่ออีกเนี่ยพอเวลาคิดถึงแฟนเขาไม่มาหาก็น้อยใจไม่โทรศัพท์มาเลยน้อยใจขึ้นมาอีกเพราะใจมันไม่อยู่กับตัวอันเดียวนี่เองครับปัญหาจากต้นตอมันเลย ใช่ไหมเราทุกข์กันตูงนี้มันไม่ใช่เรื่องกับคนอื่นเลยนะมันเกิดจากตัวเรานะครับบางทีเขาไม่มาหาก็เราแยงไปเองทีเนี้ยมันไปอยู่กับใครไปที่ไหนยังไงคิดไปเองอีกบางทีเขาอาจจะตีนงานอยู่ก็ได้เียแต่ทุกข์ไปแล้วเราอะทั้งที่ความจริงไม่รู้เลยเนี่ยมันต้นเหตุเพราะว่าใจของเราเนี่ยไม่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันอันเดียวเลยครับต้นหลักหมดเลยพอเราไปศึกษาเรื่องเนี้ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะ โดนกระทบมาเออเราอาจจะหงุดหงิดอาจจะโกรธอยู่แต่เดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่ามันมัวแต่มันยุ่งกับเรื่องนี้เรื่องที่มันโกรธเนี่ยมันไม่ยุ่งหรอกถึงแม้คุณจะติดอารมณ์มาเนี่ยแต่เขาเดี๋ยวเขาก็ขจัดไปครับสภาพมันแคจะกลับมาอยู่กับการเดินการนี่ของเราเนี่แหละเพราะใจมันมีดวงเดียวเราอย่าลืมนะมันทําได้ทีละอย่างแต่อายตนะเนี่ยห้าหอย่างมันทําได้ทีเดียวพร้อมกันนะครับทั้งดูหนังฟังเพลงกินข้าวก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ได้แชทไลน์ได้อีกเนี่ยตัวเราเนี่ยมันทําได้เเยอะแต่ใจราาม มีอันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกชำนาญถูกแล้วที่เข้ามานะครับมีครับ ม, มีมีพวกตามผมจริงเลยมีใหม่ใหม่มีเมื่อก่อนยังเรายังเห็นอานิสงของมันว่าการไม่นอกกนกลางวันเนี่ยทำไมหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านถึงพยายามบอกสมมติว่าคุณคุณเข้ามาปฏิบัติเจ็ดวันเนี่ยตื่นเต็มที่เลย พอเรียกควอดไปพวกคุณไปนอนเนี่ยเจดวันนี้คุณหม ด, หมดเลยนะครับใช่ไหมจริงๆครับเพราะว่าถ้าคุณนอนพุ่งเนี้ยเมื่อลื่นมันก็จะง่วงอีกอารมณ์เดิมมันจะง่วงอีกนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยพอเราบำเป็นแล้วเนี่ยเราต้องคอยประครับประคองประครับประคองไม่ให้มันเข้าไปล่องเดิมอีกนี่คือความยากของมันเอ้ะมาเข้าควอดเนี่ยไม่ยากหรอกแต่การออกไปใช้ชีวิตจริงเนะี่ยเราจะเข้าไปเรื่องเดิมไหมนะครับไอเ น, นี่ยที่เราเคยติดเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่ง่วงไม่นอนสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้แก้หรอกครับมันแก้หายแล้วมันก็หลุดไปเลยอย่างสองสามวันแรกที่เรามาง่วงไหมกว้างหนักมากแบบโอ้ยงอหอมไปขึ้นเลยแต่สามสี่วันผ่านไปแก้ได้แล้วเห็นไหมพวกนี้ก็ยิ่งจะไม่ง่วงเลยจริงครับใช่ไหมล่ะสังเกตดูนะไม่มันไม่ง่วงเท่ามันไม่ง่วงเท่าเดิมครับไม่ง่วงเท่าเดิมถึงแม้ ม่าอันนี้ผมก็มันจะไม่มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมที่เรามาไงใช่ไหมจากที่ยกแขนวันแรกๆจากที่ยกแขนวันแรกอาจจะหนักเหนื่อยมากแต่พอสามสี่วันหลังมาเริ่มเข้าที่มันก็ยกได้สบายได้นานขึ้นแต่พอเลิกคอร์สไว้พอแล้วเดือนนี้ไม่เอาแล้วเข้าคอร์สแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาอีกเดี๋ยวก็เจอกันอีกเนี่ยเนี่เราต้องเราต้องพยายามทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับ ถึงแม้จะมาเข้าคอสไม่เข้าคอสก็ตามตื่นขึ้นมาเอาเลยนะครับตื่นมาพร้อมกับลิมตาตึนขึ้นมาเนี่ยเอาเลยดูเลยดูตัวเองเลยไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องอื่นก่อนตื่นขึ้นม า, าลุกขึ้นมานั่งท่านี้ยืนขึ้นอะตาม ด, ดูเข้าไปพับผ้าผมที่นอนพาตัวเองเดินเข้าไปตีลกาวล่ะกาวเข้าห้องน้ําแปรงฟันล้างหน้าแต่งหน้าทาผมผูก้กับผู้หญิงนะหวีผมวีผมนี่ยิ่งได้ผมรู้สึกดีครับยิ่งหอยยิ่งยุ่ง หงุดหงิก็หงุดหงิดรีบก็รีบใช่ไหมเราก็ตามเข้าไปดูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมว่าเห็นได้เยอะกว่าผู้ชายอีกเพราะว่ามันปัญหาเยอะไหนจะประจําเดือนไหนจะอะไรทั้งเสื้อผ้าหน้าผ่อนเลยมันเยอะกว่าผู้ชายปัญหาเยอะยิ่งได้แก้เยอะสติก็ยิ่งเยอะทีเนี้ยใช่ไหมแต่ผ้านี่ไม่มีอะไรนะมีหัวล้นไม่ต้องสะก็ได้ไม่ต้องบีก็ได้ไหนผู้หญิงจะฉลาดฉันได้เอาให้เอาภาระเอาให้หมดเลยมาเหลือแค่ผ้าสามผืนแค่นั้นเอง ไปไหนก็สามผืนนี่แหละพอเรามีแค่นี้อันอื่นต้องคิดไหมครับไม่ต้องคิดรถก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีมีแต่ตัวเองมันจะไปคิดเรื่องอะไรทีนี้มันจะไปทุกเรื่องอะไรถ้าเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองทีเนี้ยแต่ญาติโยมเนี่ยมีของเยอะมีสมบัติเยอะมีอะไรเยอะไม่กล้าออกหรอกฉันหามว้ายากเก็บไว้บางทีลืมไปหายที่ออกซืว่าแตตอนไหนเนี้ยไปเชื่ออันเก่ามาแหละ ไปซื้อมาเหมือนเดิมหลยอีกนึงบางทีนะอืบางทีมันเยอะจนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาครับบางทีเราคิดว่ามันเยอะมันก็ยิ่งดีมันไม่ใช่นะครับเราแค่พอดีที่เราใช้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เท่าไหร่นะเงินเราก็ไม่ต้องหามากหรอกจริงนะวันหนึ่งกินไม่ถึงพันหรอกถ้ากินถ้ากินธรรมดานะไม่ใช่ว่ากินแบบรูล้านะกินให้อิ่มเนี่ยกินมันจะลดภาระไปเยอะเลยครับชีวิตจะเบาขึ้นเยอะ ใช่ไยิ่งคนโสดนี่ยิ่งเบาเยอะเลยนะครับถ้ามันตามว่าเป็นสัญชตาตญาณเราเราจะเรียกว่ามันเป็นการตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือเราไม่รู้ครับถ้าเราตามรู้นี่ไม่ใช่สัญชาตญาณครับรสัญชาตญาณก็คือเราไม่เห็นอาการที่เขาเกิดครับเราลรูบๆไปทูสบู่แบบไม่ได้ดูครับไม่เห็นอาการที่มันเกิดครับ น, นั่นคือสัญชาตญาณคือเราพยายาม ทันชัตยาเนี่ยคือเรามองไปเห็นข้างหน้าก่อนเราอยากทําให้มันเสร็จไวๆเวลาจะไปไหนเราก็คิดถึงข้างหน้าแล้วทั้งที่ความจริงตัวยังไม่ไปเลยครับสมมติว่าจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยใจอยู่ทะเลแล้วแต่ตัวยังเก็บเสื้อผ้าอยู่เลยบางทีคนขับรถช้าโมโหเขาอีกนะครับยังไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องอยู่กับเรานะครับไม่ใช่เรื่องไก่ตัวนะแต่ถ้าเราไปเห็นอาการที่เราทําอาทูสบูมันก็ทําให้เราอ่าบน้ําวิถีพิถันมากขึ้นสะอาดมากขึ้นอันนี้สมก็ได้อย่างนี้นะครับ อตรงไหนที่เราไม่เคยดูแล้วก็ไปดูเขาหน่อยผิวพันธุ์ตรงไหนก็เป็นการดูแลเสียใจรายละเอียดตัวเองมากกว่าการที่ไปตามคนอื่นข้างนอกนะครับเป็นการดูแลร่างกายทั้งจิตใจเลยทีนี้ตรงไหนเจ็บตรงไหนป่วยเอาตรงไหนที่มันเริ่มผิดปกติแล้วก็เห็นทีนี้ครับเนี่ยก็เริ่มตามจากสิ่งเล็ก เ, กเกน้อยนี้ไปเนี่ยครับแต่ว่าการสร้างหวานนี่เป็นอุปบกต์ที่เราต้องมาฝึกนะ เราว่าเราก็ยกสร้างอย่างวะเพราะว่ามันเป็นการดึงใจอยู่กับตัวครับถ้าเราไปทําอย่างนั้นที่ถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยมันจะดูดง่ายนะครับบางทีลุดไปกับอารมณ์ดูดไปกับงานดุดไปกับสิ่งภายนอกตัวง่ายแต่มีเวลาตื่นเช้ามานั่งสร้างอย่างวะอ่าสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนี่เอาพูดแป๊บเดียวนี่สองทุมเกือบขึ้นแล้วเนา ะ, ะถามได้นะครับอคือผู้ใหม่เนี่ยอยากให้คุยกันช่วงนี้ไม่มีใครมาแทรกแนี่ สามารถคุยกันได้เพราะว่าผมเองก็ใหม่นะครับเราสามารถคุยภาษาที่มันยังเข้าใจ ก, กันได้อยู่นะครับอย่างการเดินจงกรมเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องต้องเดินให้หนักต้องเดินให้เสียงดังหรือว่ากระทเทือบท้าแรงๆให้ให้ได้ควารู้สึกตัวนะครับทําอย่างนั้นไหมครับตรงึกตึกตึกตึ ก, ต ก, ตกโอใช่ไหมผมนี่ ข้าเดินผมนีมีมีมาสิบแบบนะครับผมตัวผมเองนะแต่ไม่เคยบอกพ่อหรอกนะครับคือเรานึกอันไหนได้ที่มันไม่เบื่อไม่ทําให้เราเบื่อครับเอามาใช้เหอะเวลาเราเข้าไปเก็บอารมณ์เหมือนนะผมนี่เคยสับขาหลอกอย่างนักฟุตบอล น, นะเพื่อให้มันหายเ อ, อ้ามันไม่ผิดนะครับผลวงพเถียนว่าทําอะไรก็ได้คุณจยตีนกาอยู่ก็ได้ขอให้อุนหายขอให้คุณรู้สึกตัวเถอะแต่อย่าไปทํา เ, เลยครับมันอันตรายใช่ไหมบางทีก็เราก็เดินอ่าซ้ายบ้างอ เดินไปทางข้างบ้านบางทีเดินแบบเป็นทางแบบอะเห็นไหมเห็นนางแบบเขาเดินไหมแต่เราจะไปทําไหวนครับโยมเขาจะว่าเอ้ยพระองค์นี้ไปแล้วบ้างเลยเคลมเฮๆทางแบบก็เดินไหมเขาจะเอาอขาตึงๆอะ่ะเราวสะโพกมันจะบิดไปบิดมานะ่มันก็ทําให้เราได้ขยับตัวถ้าไม่ถ้าไม่หายจริงๆนี่ผมผมเดินอย่างนักบัลเล่เห็นไหมเดินบนปลายเท้าครับขาลอกคุณไม่หายง่วงนี่คุณไปนอนได้เลยครับ <S <S <S ใช่ไหม เลื่อนปลายเท้าเนี่ยเอาจริงครับลองดูนะถ้าไม่หายงงก็คือหนักแล้วไปนอนเหอะได้ครับได้ได้ได้ครับได้โยคะเราฝึกมาเพื่อแก้ไขพวกอะไรก็ได้ที่คุณนึกได้ครับได้แต่ว่าเราต้องดูคนรอบข้างโดยว่าใกล้เขาไหมนะครับได้ทั้งนั้นวิธีการนี้บอกแล้วว่าไม่จํากัดวิธีการขอให้คุณผ่านอุปสรรคสิ่งเหล่านั้นไปแล้วอย่าละทิ้งการเจริญสติไปก็พอครับ ขอคุณแก้ไขแล้วก็ยังทําอยู่ไม่ใช่แก้ไขแล้วก็สบายแล้วไปดีกว่าอย่างนี้ไม่ไม่ใช่แต่ขอช่วงเวลาเนี่ยการเข้าไปเจ็บอารมณ์ก็คืออย่างนี้แหละครับคุณจะไปยืดโยกขะไออะไรนะยืดแข้งยืดขาเรื่องคุณเหอะ ม, มีคนเห็นนะครับแต่ขอให้คุณตามดูตอนที่คุณยืดคุณเก็บมันปวดนั่นก็คือการดูเหมือนการสร้างจังหวะนั่นแหละแต่เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะ ค, คุณจะไปยืดหลังยืดเอวหรือจะไปห้อยหงอนอะไรก็แล้วแต่เหอะถ้ามันไม่อันตรายนะ อมืมันทําได้ทั้งนั้นท่านเอไปออกกีก็ออกมาเดินหน้าสนามใหญ่อย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะไงมาสูดอากาศเล็กๆหน่อยแต่อย่าไปพูดกับคนครับอย่าไปอย่าไปสนทนากับเพื่อนเพราะว่าใจมันจะฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วมันจะเข้าลองเดิมยากแค่นั้นเองนะครับเราจะไปติดกับคำพูดบางทีไปเดือนไปคุยกับเพื่อนเจอเพื่อนพูดเรื่องไมดีมาเอาเอามาคิดอีกเนี่ยคุณทําไม่ถูกนะอย่างเงี้ยว่าคิดอีกทีเนี้ยใช่ไห ม, มทั้งที่เองก็ทําถูกแล้วล่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกไว้นะครับ ไม่มันไม่น่ากลัวยอย่างที่คิดหรอกเก็บอารมณนะครับโดนขรูเยอะเนาะว่านผมยังฟังอย่โธนะ่มันเป็นการตามสิ่งที่เรามันมีกับเรานี่แหละครับง่ายๆมันมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เห็นนะครับขอให้คุณดูมันไหมแค่นั้นเองร่างกายของเรามันเป็นครูสอนอย่างดีนะครับพระพุทธเจ้าบอกมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่องค์เรียนว่ากวางศอกยาวานะคืบเนี่ยมีหมดแล้วแต่คุณจะสนใยเข้าไปศึกษามันไหมแค่นั้นเอง แต่เรามีอุปกรณ์ที่หลวงพ่อเตียนสร้างให้คือการสร้างอย่างบาดการเดินจงกลมเดินจงกรมเหมือนทอด น, น่องอ่ะเหมือนเดินชายทะเลอ่ะเคยเดินชายทะเลปะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเลครับเดินเ ด, น, น, น, นเดินอย่างนั้นอ่ะผมอยากให้เดินอย่างนั้นอ่ะเดินแบบผ่อนคลายเราเอาการอองงานเอาภาระหน้าที่ทิ้งไปหมดล้ะฉันมาเที่ยวทะเลคือฉันเดินน้ําทรายทะเลน้ําทะเลพัดเย็นเยนทอดน่องไปมันต้องผ่อนคลายอย่างนั้นนะครับ มันไม่ใช่เป็นการกดดันนะครับเสียงทะเลก็สู้นะสู้นะอย่างเงี้แหละนะใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> เห็นไหมปไปไปทะเลนะสู้สู้ม <c oughs> ทาให้เรามีกําลังใจใช่ไหมอืมเราก็อาศัยสิ่งรอบข้างนี่แหละมาเป็นครูของเรานะครับมันหนักมันเหนื่อยเนี่ยแล้วผมสังเกตดูเวลาเราเดินอย่งกลมเนี่ยเราจะเมื่อยขาไว้เนี่ยเพราะว่าเราเอาส้นลงแรงนะครับสังเกตดูนะเอาส้นลงแรง ผมจะพยายามเดินเนี่ยจะเ อ, เอาฝ่าเท้าเนี่ยหน้ากับพื้นไม่เอาไม่เอาส้นลงนี้นะผมอลยจะเดินบางทีก็เอาส้นลงก็ค่อยๆเอาปลายลงเดินเล่นนะครับจะไม่เดิจริงจังมากมันไม่ได้หาอะไรนะครับไม่ได้เดินเอาชนะใครด้วยเดินเพื่อศึกษาเฉยๆครับเดินในแครงบ้างผมอะ่ะเดินในแครงเห็นไหมที่ผมเดินเล่นเนี้ยคนอาจจะมองว่าผ่าตรงนี้แฝงกับเขาเลยไม่เห็นอะไรเลยนะความกระทำอย่างนี้แหละบางทีผมก็มันมีสารอย่างนี้ผมก็ไปเดินนวดเท้าเล่น ควบสืบการนวดเท้าให้มันผ่อนคลายไปไปเดินหินบ้างอะไรให้มันเลื่อนผ่อนคลายเพราะว่าถ้าเราเดินพื้นเรียบๆเนี่ ย, ยมันจะมันจะปวดเท้าไวครับเราไปเดินหินเดินทรายไปเดินสนามหญ้าบ้างเนี่ยเดินถ้าเดินหญ้าเดินทรายเนี่ยเราจะนอนหลับดีนะครับเก็รหลับหลับดีเพราะมันมีอะไรทิ่มแทงเหมือนเรานวดใช่ไหมแต่ค้นเรียบไม่มีครับ ปรเปลี่ยนที่เดินบ้างขูดขาบ้างอย่าไปกลัวหินแหลมแหลมนี่ยมันก็ได้แค่แทนของมันไม่ขาดนั้นหละครับอืมเก็บนีก่ก็เดี๋ยวมันก็หายครับเนี่ยพยายามศึกษาหลายอันประมาณเรามา เ, ร ม, มาเข้าคอร์สเพื่อมาศึกษานะครับเราไม่ได้มาหาอะไรนะอย่าลืมประเด็นนะโอ้ยฉันจะเอาสติให้ได้เลยไม่หาไม่ได้หรอครับหาไม่เจอหรอกตามปกติไม่จําเป็นนะอย่างสมมติว่าเรานั่งเป็นนัดอย่า ง, ยงผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เมื่อยหรอก แต่เหมือนรู้สึกว่ามันมันจะเริ่มเพลินเริ่มไม่ตื่นตัวแล้วก็เปลี่ยนในเขาหน่อยบางทีเรายกไปอึมครึมอย่างนันเห็นไหมทุกคนเลยคลึมแบบซึมซึ้งกันนะ่ยแบบเป็นมือมือื่นๆกันมันมันไม่ถ้าความตื่นตัวมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่เห็นชัดเจนครับสติเราก็ไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเราถามว่าถ้าเราตื่นตัวอยู่อย่างเนี้ยอย่างอย่างตอนที่เราเป็นเนี่ยถามว่าคนรู้สึกมันเห็นได้ชัดไหมครับเนี่ยเราไม่ยกมือก็ได้มันก็ชักของมันเองนะ เราถึงต้องพยายามมาแก้ไขความง่วงความเบื่อความเซ็งไม่ให้มันดึงใจหล อ, อกไปไงเนี่ยพอเวลาเราเอา่าเราอยากเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ตามดูเข้าไปหน่อยเอออย่างเงี้ยเปลี่ยนอก็เหมือนการท่าอย่างหวาของเรานั่นแหละก็นั่งต่อแค่นี้แต่ถ้าเราเมื่อยปุ๊บเราก็ตามดูอาการของมันว่ามันเมื่อยเมื่อยถึงขนาดไหนแล้วเมื่อยถึงอาการที่ต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ตามเข้าไปดูนะนหน่อยอ่ะค้างนิดนึงก็ได้ เราไม่ได้ดี้นไปไหนใช่ไหมไม่ได้หาอะไรเนี่ยเราก็ดูอาการก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยตอนที่มันจะเมื่อตอนที่มันเมื่อยกต่มันจะไม่หายไปหายไม่เมื่อยเนี่ยมันเป็นยังไงเคยเหน็นไหมครับแล้วก็อ่าสบายแล้วนี่ก็ตามดูอย่างนี้ฮะแต่เมื่อก่อนนี้เมื่อยเปลี่ยนเลยสัญชาตญานคือเปลี่ยนเลยไม่รู้ฉันเปลี่ยนละวหายละสบายละนั่นคือสัญชาตญานต่างกันแค่นี้นะครับ แต่ว่าคนรู้สึกตัวแบบนี้คือเข้าไปตามดูอาการที่เขามีนั่นแหละเราไม่ได้หาเพิ่มไม่ได้ไปค้นคว้าไม่ได้ไปตามดูเลยแต่เขามีให้เห็นแล้วเหมือนเราดูทีวีอ่ะครับเจ mm ีย hmm. ร์มวย่เนาะบางคนเนี่ยเตะเขาตีไปก็ธรรมดาใช่ไหมแต่คนที่อินนี่แทงเข้าดิแทงเข้าดิเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เป็นผู้ดูเฉยๆเขาแสดงอาการให้เราดูอะแต่ถ้าความคิดเข้ามาปั๊บเราไม่ได้เป็นผู้ดู เราเป็นผู้เข้าไปอินไปแสดงแค่นี้โอ้วันนั้นนะมันด่าฉันท่านต้องกลับไปเอาคืนมันให้ได้เลยต้องหาวิธีการอีกใจก็หงุดหงิดพนันอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาอีกไม่อยากทําอะไรแล้วทีเนี้ยยกมงยกมือไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่เราตามเข้าไปดูสิ่งเหล่านี้แหละที่เรามาศึกษาเรื่องนี้กันครับเนี่ยโดยอาศัยเรื่องนี้มันเป็นเครื่องมือเก็บรวมคือเราต้องเข้าไปศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆธรรมะเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟังธรรมะเนี่ยเราก็จะหูเราก็จะไปปสสนนนใจแแต่เเียงทัหละ เมื่อก่อนเมื่อผมนี่ไม่ได้เลยนะครับสื่อปากกาดีสอนี่ห้ามมีเลยชมนั้นถ้าเก็บรสมอย่างที่อาจารย์พงษ์ท่าเนว่านะเขียนคําเทศไปเยอะเลยแล้วใจเออแล้วใจของเราเนี่ยจะไปอยู่กับคําเทศคําสอนมันจะไม่อยู่กับตัวแล้ว่เนี่ยมันจะไปคิดถึงคําพูดอยากจะพูดให้หลวงพ่อฟังจริงเลยว่าฉันแน่อารมณ์ดีหลวงพ่อจึงว่าฉันดีแน่เลยนะต้องชมแน่เลยว่าอู้เนี่ยได้สติแล้วนะใช่ไหมทุกคนเป็นใช่ไหม อย่าให้หลวงพ่อชมว่มามาเข้าขอคอนเนี่ยได้อารมณ์ดีเนอใช่ไห ม, มหนึ่งโทรศัพท์ไอ้ไอสื่อต่างๆที่มันจะทําให้ใจเราออกจากข้างนอกเนี่ยจากตัวเนี่ยห้ามมอาเข้าไปดีกว่าโทรศัพท์เอ้ยปากกาดินสอที่มันจะขิดเขียนได้เนี่ยยาเาเข้าไปแล้วอ่าแล้วก็ไอพวกสื่อที่ใช้อ่านาต่างๆครัยผมไปเก็บอารมณ์ครั้งแรกนี่กล่องนมเนี่ยเขาให้ผมกินในหกอ่านหมดเลยเ ยันอย่างว่าอยันหมดบรอายุอ่ะมันไม่มีอะไรทํำครับคือสร้างอย่างวางเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่เคยสนใจนะว่าใครจะทำอะไรมีอ่านทั้งหมดเลยครับเนี่ยมันก็ทําให้ดุดูุดมันดึงใจออกไปอืมอย่าเงี้ยแต่ถ้าไม่มีสิ่งเล้าพวกนั้นมามันก็มีเวลาเตรียมที่ในการศึกษาตัวเองแค่นั้นเองนะเข้าใจไหมครับทําได้นะมีเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยนะครับจําเป็นครับจําเป็นจําเป็นมากครับผมเคยลองแนละ้ว แต่ายๆว่าหมาตัวเองว่าเอ้ยบวชมานานแล้วอะไรเงี้ยไม่ทําครับใจมันจะห่าตัวครับคือเราไปอยู่กับข้างนอกก็จริงแต่ว่ามันไม่คุ้นเคยกับการกลับเข้ามาทีเนี้ยครับใช่ไหมไอ้นี่ที่เรามายกนี่เพื่อให้มันกลับเข้ามานะครับแต่ถ้าเราไปอยู่กับงานเนี่ยมันไม่มีที่กลับครับมันไม่มีบ้านอยู่ครับเขากลับไม่เป็นครับเราต้องดึงเขาเข้ามาขยันดึงเข้ามาครับเพราะฉะนั้นมันทิ้งไม่ได้เลยครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านสี่สิบกัลาฯแล้วทำไมท่านถึงต้องเดินตรงกลมอยู่หลวงพ่อเทียนเนี่ย ทา่ากี่าจนสิ้นใจครับต้องทําตลอดเวลาทําเป็นกิจวัตรประจํวาวันไปเลยทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องทํำครับอืมนอกจากอธิบายบทย่อยที่เราต้องไปทําการทํางานแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยเราต้องหาเวลาเก็บอารมณ์กับตัวเองถึงว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีงานเงนี้ยอา่าคุณซื้อข้าวซื้ออะไรให้ฉันกินหน่อยฉันกอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีตอนเตือนเช้ามาขอให้มันไม่ทิ้งเชื้อ น, นี่ออกไปครับขอให้เขายังรู้ว่าเออฉันยังทําเรื่องนี้อยู่นะ ถ้าเราไปทําเรื่องนี้ยเราคิดว่าเราไปอยู่กับสิ่งที่ทำข้างนอกเนี่ยมันจะดึงเราออกไปเรื่อยๆครับอยหน่อยเราก็ไปหาเพื่อนหาฟูงไปหากินเหล้าเมืองยากไปอีกเหมือนเดิมพอจะกลับมาทมําหมนเดิมยากทีนี้แต่ถ้าเราเราเพาะเชื้อเขาได้แล้วเนี่ยเราบังคับประคองเขาดีกว่าอะทําบ้างเช้าเย็นนิดหน่อยก็ยังดีนะดีกว่าเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราถาวไปแล้วเนี่ยมันดึงกลับมายากนะครับสู้เราประคองไว้เรื่อยๆดีกว่า ทําบ้างมันก็ไม่ได้ยากนะครับเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็ทำเหมือนเดินโยงกลมดีครับคนเราครึ้นหนึ่งต้องเดิอนอยู่แล้ววันหนึ่งไงเนาะเราก็เดิอนโยงกลมไปเรื่อยเหยียบกระทบไปเรื่อยดูแค้งดูขาดูเสื้อผ้าดูอะไรที่มันไหวดูลมดูกระทบได้ทั้งนั้นแดดร้อนก็จะไปบน่นก็ดูเออเนี่ยแดดมันร้อนมันเป็นอย่างนี้โอ้เมืองไทยมันร้อนอะไรหนังหนาเลยเดียบร้อยงูหงิดอีกนะครับใช่ไหมถ้ามันร้อนมากก็เอาลมมากลางหน่อยแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปงูหงิด ให้ยกมือไปด้วยขณะนั่งฟังเห็นไหมครับเราจะการสร้างยังหว่าเนี่ยเราจะจะทําประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่หูที่ฟังเนี่ยเอาสักสามสิบก็พอถ้าเรามาเพ่งประเด็นอยู่ที่คําพูดคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินแล้วใจใจเราเนี่ยมันจะไม่อยู่กับตัวครับมันจะมาอยู่กับผมไงไมันอยู่กับคนพูดไงครับเหมือนว่าเราทิ้งห่างจากตัวไปแต่ถ้านั่งสร้างยังหว่าไปด้วย เจ็ดสของใจของเราเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตัวเนี่ยแต่หูเราฟังหูเราฟังได้อยู่แล้วใช่ไหมประษาทสมัมผัสเราเนี่ได้4ี่ห้าอย่างครับกินข้าวไปด้วยก็ได้ดูหนังไปด้วยก็ได้ดูเรื่องหนังอีกนะครับกินข้าวก็กินได้อร่อยอีกหูได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับวางการเข้าไปคุยโทรศัพท์ได้อีกมันทําได้หลายอย่างพร้อมกันครับแต่ใจเนี่ยมันมีอันเดียวครับถ้าออกไปข้างนอกหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งฟังที่ไหนเนี่ย เ ร, เราใจของเราเนี่ยไว้ที่ตัวเจ็ดสิปอร์เซนตครับอย่างเวลาหลวงพ่อเทศหรือว่าใครพูดเนี่ยผมจะชอบช่วง น, นั้นมากช่วง น, นั้นจะเป็นช่วงที่หัวผมเนี่ยไม่มีไม่ไม่ค่อยมีความคิดอะไรเลยผมจะสร้างจร้างอย่างวะอย่างไรคุณพูดไปเถิดใครจะพูดแหละเพราะว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคือช่วงเที่ยงเหมืนว่างช่วงกลางวันง่วงทําไม่ค่อยไหวไม่ค่อยได้อะไรเราก็มาใส่ช่วงเช้าหลังทําวัดหลังหลังทําวัดเช้าหลังทําวัดเย็นเวลามีคนมาเทศมามีคนมาพูดแล้วก็ใส่สร้างอย่างวะ อย่างเลือถ่ายกล้องใส่วีดีโอก็ตามผมว่าทำางผมไปนะเพราะเราเราก็ฟังได้ครับแต่เราก็ทำของเราอยู่ใช่ไหมลรวอย่าที่โอกาสไปนั่งขึ้นรถลงเรือไปก็ตามอยู่หน่อยรถมันโยกถ้าโยกกวาขอให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับตัวครับเป็นใช้ได้ครับทำวิธีไหนก็ได้อย่าไปยึดติดครับไม่ต้องโยกก็ได้ถ้าถ้าถ้าชำนาญแล้วถ้าชำนาญแล้วนะแต่ถ้าแต่สาหรับผมนี่ ผมว่าถือว่าโอกาสชนนั้นน่ะดีโหูก็ได้ฟังด้วยมือก็ได้ยกด้วยครับสติก็ได้ด้วยหูก็ได้ฟังด้วยได้ผมรู้ด้วยใช่ไหมไมันได้สองอันไงดีกว่านั่งฟังเจ็บบางทีลืมไปแล้วนั่งปวดขาปวดเอวตั้งนานแล้วบางทีจะคิวกินแล้วยังไม่รู้เลยมัวแต่ไปฟังคนพูดใช่ไหมต้องสังเกตดีๆครับบางทีจะคิวเค้ อ, อนี่ขาสั่นแบบยังไม่รู้สึกตัวเลยจะหาว่าเออนี่ฉันไม่รู้สึกตัวนะนั่นสายไปแล้วครับ รู้สึกตัวต้องต้องแก้ก่อนเหมือนเพื่อนผมอ่ะกินเหล้ารู้สึกตัวนะยกแก้วขึ้นรู้สึกตัวนะกืนลงไฟรู้สึกตัวนะถามว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนรินเหล้าให้อาจับแก้วรู้สึกตัวนะอ้าวยกขึ้นมารู้สึกตัวนะกินลงคอรู้สึกตัวมาถามว่ามันมันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยเขาไม่กินหรอกครับ ถ้ารู้สึกตัวเขารู้แล้วว่าเล่าเป็นพิธีเขาไม่กินหรอกครับถ้ากินไปรู้สึกตัวเมาก็รู้สึกตัวเลยเออเริ่อพูดไม่รู้เรื่องก็รู้สึกตัวนะเราจะมาฝึกทําไมครับั้างั้นฮะใช่ไหมอือเนี่ยจะด่าเขาก็รู้สึกตัวนะด่าแบบรู้สึกตัวอย่างนี้ได้หรอมันก็ไม่ถูกเรย่องบยงยังนีเลยคําด่าเนี่ยด่ารู้สึกตัวเลยไม่ใช่อย่าอย่าเข้าใจผิดอย่าลงประเด็นนคือรู้สึกตัวนี่คือว่า เราเห็นมันอาการมันเราอยากปล่อยให้เขาออกไปอย่างนั้นเรารู้ว่าไหนไม่ดีมันมีมันมีทางโลกีแล้วก็โลกุตนะครับรู้สึกตัวในใ น, ในทางธรรมมใช่ใชเ่เป็นโจนเขารู้สึกตัวเปลักของเขานี่เขารู้สึกตัวอย่างดีแหละครับ mm hmm. เขาไม่คุณรู้หรอกว่าเค้ชเปลักของคุณอนะ่ะ mm hmm. โอ้ยเขาเนี่ยบพวกเราอีกนะครับแต่มันไม่ถูกไงรู mm ้ hmm. สึกตัวนี่คือต้องต้องอยู่ในทางธรรมนะครับในระยะมากมีของแปดในอะไรก็ไม่รู้แหะที่บาลีที่พู ด, พ, ดพูดกันแต่ผมก็ไม่ข้อจำหรอก นะมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับเดี๋ยวหมดเวลาก่อนว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่อย่างพอนะนานๆผมจะได้คุยอีกทีนึงอยากคุยด้วยผมจะอะไรหรอกคือช่วงเราทำเนี่ยขอเราตั้งใจนะครับเจ็ดวันเนี่ยมีคุณค่ามากถ้าสิ่งสําคัญก็คือความเข้าใจนะครับทําแบบไม่เข้าใจเนี่ยเป็นปีสองปีก็ไม่เห็นผลนะครับแต่ถ้าเราทําแบบเข้าใจเนี่ยแป๊บเดียวว่ารู้เรื่องนะครับเราจะง่ายไปเลยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับนะบมันเป็นเรื่องที่เราต้อง ไม่ใช่ว่าต้องหรอกควรที่จะมาศึกษาเพราะว่าเป็นเรื่องของเราเองไม่ใช่ว่าให้ใครมาบังคับเลยว่าคุณต้องอกหักหลักร้อยคอยงานสังขารโทมคอยมาปฏิบรรัติทำช้าไปแล้วนะครับเพราศึกษาเนินเน่นๆนี่แหละตั้งแต่มันยังไม่เป็นอะไรนี่แหละตั้งแต่เรามีแรงมายกนี่แหละถ้ า, ยาอยังหว่าเดี๋ยวไม่มีแรงก็เนาะไม่ไหวอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราขอให้ทําแบบผ่อนคลายแต่ขอให้เราเนี่ยตื่นตัวนะพยายามสร้างความตื่นตัว นี่หลักสําคัญเลยนะคตื่นตัวกระชับกระเฉงเข้าไว้แล้วกค็คอยป้องกันความง่วงความเพลินความเบื่อความเซ็งอึดอัดขาดเครื่องอะไรพวกนั้นนะ่ะที่มันจะเข้ามาแหละเพราะามันเราใจเราเหมือนปลาเหมือนคล้ายๆว่าเราโยนขึ้นบกแล้วมันตุ้มตินอยากลงน้ําอะเราชอบเที่ยวชอบสนุกมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมได้กินได้เที่ยวได้พูดได้คุยได้ทําอะไรตามใจเขาตลอดเวลาเขาก็คุ้นชินนะครับพอเรามาทําอย่างนี้ปุบ๊บ เฮ้ยคุณมาทำแบบนี้ได้ไงว่าฉันอยู่คุณมาตั้งนานแล้วเขาก็ดิ้นดิ้นเนี่ยอืมแต่เราก็ต้องศึกษาการที่เขาดิ้นนั่นแหละเราทำงานจะแก้ทุกข์เขาได้ยังไงนะครับเราก็ต้องตกไปทาสเขาพอเรามีของพวกนี้ปุ๊บเราต้องเกิดใหม่อีกเพราะเราติดของพวกนี้อยู่ไงใช่ไหมเหมือนเราอยากได้ของอะไรสักอย่างเราก็ต้องหาเงินมาซื้อเนี่ยเหตุผลของการกลับมาเกิดก็คือเรายังติดของพวกนี้อยู่เราก็ต้องกลับมากินมาเที่ยวมาเล่นของพวกนี้อยู่แต่ถ้าเราเออไม่มีอะไรแล้วบอแล้วโลเกตเบื่อแล้วไม่เอาอะไรแล้ว มาทำไมอีกครับทีเนี้ยใช่ไหมมันไม่มีความอยากให้ต้องมาอีกนี่เนี่ยก็เป็นหลักการง่ายๆครับใช่ไหมเหมือนเราเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วอ่ะเราเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็ไม่อยากไปละใครชวนก็ไม่อยากไปละแล้ ว, ก, ก, ลวก็ไม่ต้องไปละก็สบายละอ๋อผลของการปฏิบัติก็คือมันมันเป็นอันนี้ส่งหลายอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนคิดมากชอบมือลอย คิดกลัวคิดกังวลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นพื่อนของทุกคนใช่ไหมหมอชอบคิดอะไรล่วงหน้าไปก่อนนะทั้งที่อะไรมันยังไม่เกิดเลยแต่ตอนนี้ใจเราเนี่ยไม่คิดออกไปไกลมากครับเวลาโดนกระทบอารมณ์เวลาไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยมันหายไวครับเมื่อก่อนเราอาจคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นวันคิดเป็นเดือนบางทีเป็นปีคิดถึงนายคนนั้นยังโกรธเขาอยู่เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ ทะเลาะกันเมื่อกี้หันหลังให้คือเลิกจบกันนะพอเราก็มาแก้ไขเขาก็แก้ไขแล้วจริงเราสังคมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายครับต่างคนต่างดูตัวเองมันไม่เหมือนสังคมข้างนอกใช่ไหมนิดหน่อยยิงเลยเป็นคนไปถามหรอกยิงแล้วใครพูดใช่ไหมข้างนอกมันยากอันตรายครับนี่อา น, นิสงส์ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่หลักง่ายอยู่ง่ายกินง่ายทําอะไรได้ง่ายอย่างที่หลวงพ่อท่านว่ากินครับเราไม่กังวลว่าต้องกินอะไรไม่กังวลว่าต้อง ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวมันไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนแหละเมื่อก่อนนีะกล้าพูดกับคนอย่างนี้ได้ที่ไหนเนี่ยอห้จับใบมีสันอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้พูดได้มันทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ครับไม่ทําให้เราไปตามกระแสโลกโลกเขาจะไปไ iPhone เกตไอโฟนแปดไปไม่มีเงินซื้อใช่ไหมเราก็ใช้ของเรานี่แหละมันไม่ทําให้เราทำให้เราใช้ของที่จําเป็นจริงๆไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามแฟชั่นไม่ได้ตามวัฒนธรรมไม่ได้ตามสังคม อะไรทุกสิ่งทุกมวลปล่อยเขาไปแต่เราอยู่กับยุ่งมวแต่ยุ่งมูลบายอยูแต่กับตัวเองไงครับตื่นเช้ามาแล้ก็เดินจงกลมเอ้ยไม่ใช่เดินจงกลมตามดูตัวเองเนี่ยแต่ตื่นนอนยนังหลับนอนถามว่ามีเวลาไปยุ่งเรื่องอื่นไหมทีเนี้ยใช่ไหมถ้าเราทําตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่มันทุกข์ใจมันจะมาทา้งไหนทีเนี้ยถ้าเราไม่มีเวลาไปยุ่งเขาอะใช่ไหมครับเรื่องอดีตอนาคตมาได้ยังไงถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ย หลวงพ่อถ้าถึงพยายามมาย้ำใหมนะ้มีสตินะมีสตินะเพราะถ้าเรามีอยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันเข้าหาเราไม่ได้ครับสังเกตไหมเวลาเราเพลเวลาเราเพลเนี่ยทําไมมันคิดเยอะจังเนี่ยมันเพราะว่าเขาจ้องหาโอกาสที่จะเข้าเวลาเราเริ่มอย่างง่วงเนี่ยความคิดจะเยอะตอนนั้นใช่ไหมใช่ไหมเพราะสติเราออกกาลังลงไงครับแต่ถ้าเรามาเห็นมือชัดปั๊บอ่ะมันก็จะตรงนี้ใจมันมีดวงเดียวมันมีตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนั้นมันก็จะค่อยหายไปเหมือน คนมาเรียกเราอะ่ะเฮ้ยไปนั่นไหมไปนั่นนี้ไปนี่ไหมแต่เราไม่สนใจเดี๋ยวเก็ไปครับพอเราแค่มองเออมีความคิดนี่เรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยว เ, าเ้าไปนะครับมันทําให้เราไม่ใช่ว่าสุขขึ้นนะแต่มันเ็นยังไงละ่ะมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรอ่อ่ะอืก็ไม่ได้จะสุขเวอร์แบบอยู่รูละกินนี้อยู่ดีนอนห้องแอร์นั่นไม่ใช่อันนั้นเป็นหลอกๆแต่ว่ามันมันเป็นปกติที่มันไม่ทุกข์เข้ามาครับนี่คืออันนี้ส่งนี่ ที่ดีน่ออาอักเลยใช่ไหมมันไม่ได้หาเรื่องที่มาต้องทุกข์ครับแค่นี้ใจเราก็เป็นปกติแล้วเนี่ยใช่ไหมน่ะนี่คืออา น, นิสงส์แค่นี้แหละครับจะไปเอาทำไมไอ้นี่พานไอ้อะไรพวกนั้นน่ะมันเป็นของเขาเองครับควบคุณไม่ทุกคุณคุณเดาอีกใช่ไหมขอให้ใจของเราเนี่ยสบายสบายถึงแม้มันจะทุกข์มันก็ทุกข์น้อยลงหรือว่าทุกข์สั้นลงหายไปไวขึ้นก็พอแล้วนะครับถึงล้มหัวนอนอยากนอนก็หลับได้เลย ตื่นขึ้นมาสดชื่นเอาอะไรอีกครับใช่ไหมต้องมากินดีๆอยู่ดีๆหรอความสุขแบบนั้นมันมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับได้อยสังเกตเวลาเรานอนเรามาอยู่ที่นี่นะเรานอนพื้นบางคนนอนพื้นธรรมดานอนได้ใช่ไหมแต่บางคนเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาต้องไปอาศัยเตียงที่ต้องสิบต้องเป็นแสนเป็นหมืนนะ่นอะนอนจักกุชชี่อะไรต้องอาบน้ําอย่างนั้นนะ่ะมันต่างกับเราอาบไหมครับอาบจริงนะใช่ไหม เราอาบเพื่อให้ทความสะอาดร่างกายแล้วไม่ใช่ว่าอาบลูลาแล้วก็ถ่าย i n สตา g กรมมาโชว์ใช่ไหมโพส a c e b o o k เนะี่ยแล้วทุกวันนี้สังคมเป็นสังคมที้อวดนะใครมีอะไรก็ถ่ายรูปโพสโชว์กันกินนั่นกินนี่นะอยู่นั่นอยู่นี่นะใครอยากรู้ไม่ไม่อยากรู้คุณหรอแต่ก็ต้องอวดใช่ไก็ถ้าถ้าใครมีคำถามได้ก็สามารถถามเป็นส่วนตัวได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ให้หลวงพ่อตอบให้ ส่วนตัวผมก็ศึกษามาประมาณนี้แหละ ก, ก็ก็คงมีส่วนที่เอาไปใช้ได้บ้างเนาะไม่มากก็น้อยก็แนะนํากันในฐานะผู้ปฏิบัติใหม่เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ต้องทํามันแบ่งให้กันไม่ได้ครูบาอาจารย์พ่อแม่แบ่งให้กันไม่ได้ไม่ต้องทําเองคนที่เขาจะเก่งเขาก็ต้องฝึกเองนักแสดงนักกีฬากวีอะไรพวกเนี้ยก็ต้องซ้อมนักบอลเนี่ยเตะเช้าตเตะเย็นเตะเช้าตเตะเย็น กว่าเขาจะเก่งอันนี้ก็เหมือนกันต้องซ้อมต้องขยันดูครับเนาะขออนุโมทนาสาธุที่